อธิบายหลักการให้ทั้งหมดได้ทั้งภาคปฏิบัติว่าจะไปปฏิบัติยังไงทางทฤษฎีครับก็ก็พอเข้าใจที่ของตาได้ได้สอนมาครับกเหมือนกับที่เข้าใจคือเหมือนจะมีสามชั้นครับก็คือชั้นแรกก็เป็นอารมณ์ชั้นสองก็เป็นตัวเราที่เป็นอารมณ์มันชั้นสามก็คือเป็นจิตแท้ธรรมดาที่มันรู้ตัวเราที่ไปรู้อารมณ์นะคถูกต้องถูกต้องก็ให้อยู่กับชันที่สามนะครับออืก็ดูตัวเราที่รู้อารมไปเรื่อยๆเออถูกต้องเลยอันเนี้ยไอ้ลดดวงก็คือ ไอ้ตัวเอาที่ไปรู้อามพอลวมกันก็เป็นรถด่วนไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องใช่ไหมครับถูกต้องเข้าเข้าใจตามที่หลวงตาอธิบายอะค่ะเข้าใจในเรื่องของปริยัตแต่พอปฏิบัติมันก็ไม่มันก็ไม่เห็นจิตที่มันคิดคิดต่อที่เป็นตัวต่อตัวต่อมันก็คือแต่ว่ามันก็จะเห็นอาการของอาการที่มันเออะเออะมันเห็นแค่อย่างเงี้ยค่ะเห็นอาการที่มันไหวเห็นจิตที่มันไหว แต่ว่าเห็นผ่านกายนะคะเพราะมันคืออธิบายไม่ถูกมันไม่ได้ออกเป็นความคิดแต่มันรู้ว่ามันมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่อะค่ะกแค่นั้นก็พอแล้วเ <ฮะ S 1> พราะจิตฝ่ายปรุงแต่งคิดหรือปรุงแต่งคิดหรือปรุงแต่งขอให้มันมีอาการไว้หวไว้ไหวไวไ้นในใจเราก็พอ เ, เพียงแล้วเห็นเห็นตัวนั้นนะคะแต่ก็ยังไม่ทราบว่าแล้วยังไงก็คือเห็นแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้เห็นก็คือมันมันรู้ว่ามีอาการแบบนั้นก็แค่สับตว่าเห็นทําได้แค่สับตะว่าเห็นไปดับเขาก็ไม่ได้หลงไปกับเขาก็ไม่ได้แล้วไอ้ตัวใหม่เนี่ย ไอ้ตัวใหม่ที่ไปเห็นอีกมันก็มีอาการต่ออีกไอ้ตัวใหม่ที่ไปเห็นอีกมันก็มีอาการต่ออีกเห็นตัวใหม่เลื่อยไปตัวหลังกับตัวไหนเลื่อยไปตัวในในในในในในในในคือตัวในเรื่อยไปตัวใหม่เรื่อยไปคือจิตปัจจุบันเห็นจิตปัจจุบันรู้จิตปัจจุบันคือรู้อันปัจจุบันแต่ของท่านนั่นเนี่ยคือเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวรู้ยืนยืนพื้นแล้วไปรู้อาการยืนพื้นมันต่างกันตรงนี้ก็แก้ในปัญญาที่เข้าใจอย่างนี้ไงว่า ถ้าเราตัวเราเนี่ยเป็นเป็นตัวรู้ยืนพื้นแล้วก็ไปไล่ดูอย่างอื่นทุกอย่างเลยยืนพื้นไว้อย่างเงี้ยอันนี้คือมันผิดปฏิบัติผิดมันต้องมาดูไอ้ตัวเนี่ยต้องวิธีแก้คือเขามาดูไอ้ตัวผู้รู้อันใหม่ปัจจุบันดูจิตปัจจุบันผู้รู้ปัจจุบันผู้รู้ปัจจุบันผู้รู้ปัจจุบันพอไปรู้พออะไรก็ตามพอไปรู้สิ่งที่ถูกรู้ปุ๊บมันก็จะเป็นอดีตไปเพราะมันเกิดดับเร็วมากเลยเป็นล้านล้านขณะดเดียววิธีเดียวดังนั้นเนม่ยไอ้ผู้รู้ตัวใหม่เนี่ย ดูไอ้ปล่อยวางตรงไอ้ผู้รู้ตัวใหม่เรื่อยไปปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ตัวใหม่เรื่อยไปที่พึ่งพูดได้พักได้ต่อไปไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปยืนพืดรู้อะไรเงี้ยของท่านอะ่ะไม่ทราบเข้าใจ like ไหมท่านปล่อยวางตรงที่ผู้รู้เนี่ยจะเอาตัวผู้รู้ไปปล่อยวางของท่านเนี่ยเอาตัวผู้รู้เนี่ยไปปล่อยวางท่านปล่อยวางตัวที่ผู้รู้เนี่ยเรื่อยไปแล้วจะแก้ได้อันเนี้ย ปล่อยวางผู้รู้นะตัวที่ผู้รู้เนี่ยแต่ท่านเอาตัวผู้รู้เนี่ยไปปล่อยวางบันนิตเดียวเส้นจะแดงผ่าแปดควาเข้าใจไม่เข้าใจท่านเห็นไหมเนี่ยไอตัวเราเนี่ยพอไปรู้อะไรใหม่มันก็พูดใหม่ได้อยต่อตามมองเห็นงตาหูไม่ได้ยินเสียงเนี่ยในใจข้างในเราพูดไม่หยุดเพราะไอตัวรู้วนรู้ว่าเราพูดไม่หยุดไอตัวใหม่มันก็พูดไม่หยุดเพราะว่าเราไปรู้ว่าตัวเราพูดไม่หยุดไอตัวใหม่ก็พูดไม่หยุดอีก มันจะพูดซอนซอนซอนซอนซอนเนีน้ยเราไปรู้ว่าภายในภายในใจของเรามันไม่ได้เป็นพูดกระดาษก็ตามท่านบอกว่ามีอาการยุกยิกยุกยิกจุกจิกยุกยิกมีอาการกระเพื่อมกระเพื่อมไหวๆแต่ท่านอย่าอย่าเอาตัวท่านไปไล่ดูแต่อาการกระเพื่อมไวๆนะดูไอ้ตัวผู้รู้อันใหม่ขณะปัจจุบันจิตปัจจุบันเรื่อยไปว่าพอไปรู้อาการไหวๆแล้วมันภากว่าไงพูดไปยังไงเดี๋ยวพอมันภากว่าไงพูดไปยังไงถ้าก็ พลพรคเสร็จปุ๊บมันเป็นธรรมบรมทันทีถูกรู้ท we ันทีเลยแล้วก็ด <im ูไอ้ผู้รู้ตัวใหม่อีกมันภาว่าไงพูดไปยังไงแล้วพลพรรคเสร็จปุ๊บมันก็เป็นธรรมบรมตัวใหม่อีกแล้วก็ดูไอ้ผู้รู้ตัวใหม่ก็มาเกิดอีกก็ดูตัวเนี้ยดูตัวผู้รู้ปล่อยวางที่ผู้รู้อย่าไปปล่อยวางไอ้อาการจิตทุกทุกกทุกทุกุกทุกอย่าไปปล่อยวางอาการของจิตปล่อยวางที่ผู้รู้ไปวางที่ผู้รู้อย่างเงี้ยเราจะไม่หลงไม่พลาดยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นตัวนี้ยังไม่เห็น ค, คือเข้าใจที่หลวงตาบอกว่าตรงนี้พูดให้ชัดเจนนิดทาอย่างไรจะที่ท่านคิดบอกว่ามันยังไม่เห็นในความเข้าใจของท่านว่าถ้าเห็นนั่นมันต้องเห็นอะไรเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอซักก่อนว่าขาท่านความท่านเนี่ยความจริงก็มารู้อยู่แล้วแต่ท่านคาดเคลื่อนคาดเคลื่อนงนั้นจึงบอกว่าที่ท่านบอกว่าเออมันยังไม่เห็นขอถามท่านว่า ถ้าท่านเห็นเนี่ยที่ท่านคาดหมายว่าตาเห็นต้องเห็นยังไงลักษณะยังไงไม่เห็นไอ้ผู้รู้ที่มันพักต่อพักต่อตรงนี้คะที่ที่หลวงตาบอกว่าถ้าเห็นอาการที่มันยุกยิกหรือที่มันบ่นอะไรแล้วมันก็รู้ปัจจุบันไอ้ตัวที่บ่นเนี่ยมันก็จะดับไปมันก็จะมีผู้รู้ตัวใหม่ที่รู้แล้วก็บ่นต่อผู้รู้ตัวใหม่ที่บ่นต่อไปเรื่อยๆนะคะให้เห็นในตรงที่ตัวตัวที่ไปรู้แล้วบ่นตรงเนี้ค่ะมันไม่เห็นไม่เห็นตามที่หลวงตาบอกเหตุใดท่านจึงไม่เห็นได้ไหม เพท่านเนี่ยไปหาแต่ตัวนั้นท่านเน่ยเอาตัวท่านเนี่ยไปหาแต่ตัวนั้นว่าดตาบอกว่าผู้รู้ตัวใหม่มาต้องพูดได้ผู้รู้ตัวใหม่พูดได้เราไม่เห็นนี่ทำไมไม่เห็นะไม่เห็นไม่เห็นแล้วใครัะพูดได้ว่าผมไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นทำไมไม่เห็นตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันดูยังไงก็ไม่เห็น้ยไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นก็นี่มันได้บนเหรอเนี่ยไม่ใช่ตัวบทเหรอเนี่ยดูยังไงก็ไม่เห็น ไม่เห็นไม่เห็นแต่ท่านก็พยายามจะไปดูให้ได้ว่าอไม่เห็นอย่างที่ดวงตาพูดเลยมันมันพูดได้บ่นได้แต่ไอตัวที่มันบ่นอยู่ในี่ไงล้ตัวบ่นได้พูดได้นี่ับมันไม่เห็นนะดูยังไงก็ไม่เห็นน่ะดูยังไงก็ไม่เห็นเนี่ยถ้าไม่ได้ดูตัวหลังอะตัวในเลื่อยไปอะท่านเอาตัวเราพยายามเนี่ยจะไปให้เห็นแต่ไอตัวเราเนี่ยบ่นกุ้งหิ้งกุ้งหิงถ้าก็ไม่เห็นอะไรนั้นความเข้าใจของท่านขาดเคลื่อนคือท่านจะเอาตัวเราเนี่ยไปดูให้มันเห็นแต่ท่านไม่ได้ดูตัวเรา ไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้ผู้บ่นบ่นไม่เห็นอาจารย์สอนยังไงไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็มันบ่นอยู่นี่ไงตัวเราได้บ่นแต่ถ้าจะเอาตัวเราไปเห็นไม่ได้ไม่มันไม่เห็นเลยตามสอนจานั่นมันไม่เห็นเข้าใจไหมเนี่ยก็มันลงไปหามันเลยไม่ใช่ไหมหลงไปหาว่าอยู่ไหนไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ลงลงไปแล้วก็ไม่เห็นว่ากําลังหลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเป็นขบวนยาวไปเลยใช่ไหยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอะไนี้หรอะ ท่านนายเข้าใจผิดว่าเพราะว่าตัวเราไปหลงหาไม่ตัวเราไม่รู้เดี๋ยวก็มาหลงหามาหาตัวเราพยายามให้ตัวเราไม่หาพอตัวเราไม่หาเอ๊ะมันทําไมพยายามไอ้ตัวเราไปหายอีกล้วก็พยายามทําให้ตัวเราไม่หาก็เห็นไอ้ตัวพยายามเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่เรื่อยไปมันเคลื่อนไหวรักษณะยังไงก็ตามเป็นพยายามเป็นอะไรก็ตามมันก็เป็นตัวตัวตัวตัวปรุงแต่งตัวใหม่เสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยที่ในใจเรามันกระเพื่อมหรือไหวตัวหรือว่าปฏิติปฏิกิริยาอะไรเป็นเสี้ยววินาทีเดียวนัคือตัวปล่อยวางหมดอย่าทิ้งผู้รู้จำไว้นะ ผู้รู้คือจิตเดิมแท้แต่มารู้อะไรก็มารู้ไอ้จิตที่ถูกรู้จิตที่ปรุงแต่งจิตวิญญาณที่ปรุงแต่งจึงเป็นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือจิตที่ถูกรู้คือเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับจิตผู้รู้คือเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งฝึกอยู่อย่างเดียวแค่สักแต่ว mm. ่ารู้รู like ้อะไรต้องรู้ถูกก็มารู้จิตอย่างนะรู้จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่ไปรู้อะไร ไม่ใช่ไปรู้อารมณ์น네ะบอกว่าสักตะวรู้แต่ไปรู้แต่อารมณ์น네ไม่ส่งจิตออกนอกรู้รก็รู้จิตเห็นจิตแจ่มแจ่มแจ้งมารู้จิตที่ตัวเราเนี่ยภาคไม่หยุดพูไม่หยุดก็สักตะวรู้นี่แน่ที่ทวิทยาศาตร์ว่าพัยยะถ้าเธอสักแตะวารู้เนี่ยสักตวารู้รูปสักตวรู้เสียงสักตะวรู้สักตะวารู้แจ้งรู้แจ้งสักตวรู้แจ้แ ง, งเนี่ยเธอจะไม่มีตัวตนของเธอเลยเธอจะสิ้นกิเลสสิ้นทุกพก้นทุกบรรลุนิพพาน พยายามฟังจบไปเล้ทีเดียวเลยคืออ๋อเข้าใจแล้วเออมันก็มีธรรมชาติมีแค่นี้เองอ่ะมันก็ไอ้ผู้รู้ก็ไม่ใช่ตัวเราจิตเห็นจิตแดงแจมแจ้งจิตที่ถูกรู้มันก็เป็นวิญญาณขาันจิตหรือวิญญาณขันที่รู้ได้พูดได้เหมือนได้ก็ไม่ใช่ตัวเราไอ้จิตที่มารู้จิตเดิมแท่ก็ไม่มีตัวตนอีกจึงไม่มีตัวตนของเราไม่ใช่ตัวเรามันก็เป็นธรรมชาติสองสิ่งแค่นั้นที่อยู่คู่กันคือ ธรรมชาติสิ่งหนึ่งเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเกิดดับได้ธรรมชาติฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ทําหน้าที่รู้แต่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างแล้วก็อยู่กับธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งถ้าไปอยู่กับธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งมันจะส่งจิตออกนอกถ้าอยู่กับรู้ที่เป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งก็จะไม่มีความทุกข์อะไรเลยใจก็เป็นแต่ความสงบ สงบจากความปรุงแต่งคือเป็นมันไม่สามารถปรุงแต่งได้เลยเรียกว่าสงบไม่ใช่สงบที่เป็นสมถะไม่ใช่ว่าสงบคือใจในิ่งๆแต่เป็นใจที่เป็นสงบจากความปรุงแต่งได้เรียกว่าถึงซึ่งความสงบความสุขความสุ ข, มสขไม่ได้ว่าเป็นอารมณ์ที่ไปเจ็บสุขเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แต่เป็นความสุขที่สิ้นความยึดมัน่นหรือมั่นแล้วก็เป็นความว่างว่างอะไรว่างเปล่าจาก ความปรุงแต่งว่างเปล่าจากตัวตนว่างเปล่าจากผู้ยึดมั่นถือมั่นเป็นความว่างเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้แจง้งเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ตื่นคือตื่นจากความหลงแล้วจากของกว่อมมาเป็นของหงายแล้วคือความเห็นผิดมาเป็นผู้รู้แจง้งเป็นผู้เบิกบานคือไม่ไปยึดอะไรให้เศร้าหมองอีกต่อไปอยู่กับ ผู้รู้ที่เป็นพุทโธพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แน่การปฏิบัติก็มีแค่เนี่ยให้มันถูกตัวรู้ให้มันถูกตัวและอยู่กับผู้รู้ที่ถูกตัวเราเคยถามนลวงปู่เหรียญวราโพพระอริยสงฆ์ที่เป็นที่ยอมรับว่าท่านบรรลุอรหันต์แล้วก่อนที่ท่านมรณภาพเราเคยถามท่านเองในตัวของเราบอกอยู่กับอะไรอยู่กับรู้ รู้แต่คนทั้งหลายอ่ะพอไปต่อสร้อยกขาว่าอยู่กับรู้ได้อุเบกขารู้ได้ใจเป็นกลางรู้ใจเฉยสักแต่ว่ารู้รู้ซื่อเลยไปทําให้ตัวเราเนี่ยมันเฉยไปรู้อะไรแล้วทําให้ใจเราเฉยไปรู้อะไรแล้วทําให้ใจเรานิ่งเฉยอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่มันไป็นแ่รู้แต่เป็นธรรมชาติที่มันมีอาการไม่ได้แต่อันนี้มันมีอาการเฉยได้ผู้รู้ที่มีอาการเฉยได้อันนี้เป็นตัวหลงมันต้องอยู่กับธรรมชาติที่มีแต่ความรู้มันไม่มีอาการใดอันนั้นแน่เรียกว่าพุทธะ ไปรู้อะไรเฉยรู้อะไรเฉยอันเนี้ยมันหลงมันผิดมันไปนมันไปนติดเวทนาอันเนี้ยไปติดเวทนาหลวงปู่ลีตาหนังกโลก็อยู่กับผู้รู้หรือว่าหลวงปู่ดูลนตโลอยู่กับรู้อยู่กับรู้รู้ของท่านเป็นยังไงอ่ะรู้ใครมาก็บอกว่าอยู่กับรู้ใครมาก็บอกว่าอยู่กับรู้รู้ของท่านเป็นงไงรู้เป็นมหาจักรวาลเป็นมหาสุญชะตา ไล่ขอบเขตไล่ตัวตนไ ล, ล่รูปร่างไม่มีอะไรเลยทักอย่างเดียวมีแต่ความรู้อยู่กับรู้นั้นนั้นรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยอย่าทิ้งรู้คือรู้ที่เป็นพุท ธ, ธะไม่ใช่ตัวเราเป็นคนรู้ไม่ใช่อยู่กับตัวเราเป็นคนรู้อยู่กับรู้ตัวเราแค่นั้นเองไม่มีอะไรยุ่ยงยากอ๋อให้สักได้นะกคนเดย มันติดนิ่งติเฉยติดแช่ติดนิ่งติดเฉยติดแช่รู้หรือยังว่าเราผิดพลาดตรงไหนแล้วต่อไปนี้เรากลับไปจะฝึกยังไงเข้าใจยังไะอาิตยเส็จมาสิบห้าปีแล้วอะค่ะที่มันยังงงตรงนี้อยู่ที่หลวงตาบอกให้ดูตัวต่อตัวตัวที่มันต่อที่มันซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนขึ้นมาให้ดูตรงนี้แล้วก็ปล่อยวางตรงเนี้ยแต่มันก็พอพอมาตรงนี้ทีไรมันงงทุกทีแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ธรรมดาอยู่ธรรมดาปกติมันก็ ก็คือไม่มีอะไรมันก็รู้รู้หลงก็รู้ไม่ไม่หลงก็อย่างเงี้ยครับทำไมมันก็ยังมันก็ยังไม่ไม่ไม่เก็ตตรงเนี้ยคือเข้าใจตามที่เข้าใจตามที่กล้าบอกหมดเลยแต่ในการปฏิบัติมันก็ยังไม่ได้มันก็ยังเป็นเหมือนตัวเราไปตั้งตั้งรู้อย่างเงี้ยแล้วมันจะจะแก้ ก้ตรงนี้แก้ความเข้าใจผิดตรงนี้ยังไงหรือว่าแก้กันปฏิบัติที่มันคาดเคลื่อนตรงนี้ยังไงบ่อยมากเลยครับแบบนั้นเป็นครับก็ <c oughs> เหมือนว่าเรามองไม่ออกทีหนึ่งว่าเราต้องเห็นอะไรทาไมเราไม่เห็นทีหนึ่งไงยมันเหมือนมันติดอยู่กับ <c oughs> ตัวเองเลยวเนนี้ครับ <c oughs> ผมอันนี้ที่ผมเข้าใจทางดวงตาคือว่าสิ่งมันมันเหมือนกับเออมันไม่ต้องเห็นอะไรแต่มันแค่ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังหาอยู่มันไม่มีครับ มันเป็นแค่ตัวที่เหมือนตาบอกเป็นตัวจิตที่มันปรุงแต่งเป็นตัวที่เป็นผูร้ร <ak> ู้ะครับที่เป็นผู้รู้ที่เป็นสังขารเนี่ยคือถ้าเราจะไปพยายามเห็นในตัวเนี้ยมันก็เหมือนเอาปรุงสังขารขึ้นมาเพื่อที่จะหาสังขารอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าคือมันมันเหมือนเราแค่ต้องเข้าใจว่า <S <S มันไม่ต้องปรุงอะไรใช่ไหมแค่นี้ยครับมันถึงจะเห็นมันถึงจะเห็นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเห็นมันคือมันเข้าใจว่าไอ้ตัวที่มันเป็นตัวนี้มันคือสังขารใช่ไหมครับ มันไม่ใช่ว่าเราต้องไปเห็นอะไระครับมันเมือไเราจะเป็นตัวอะไรไมาเห็นสักทีหนึ่งมันก็ไม่เห็นสักทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเราแค่เข้าใจว่าไอ้ตัวนั้นมันคือสังขารมันก็จบมันก็ไม่ต้องดูอะไรมันก็เป็นของมันไปอย่างนั้นเอง ข, ขอบ ค, ค, คุณครับสาธุอันนี้ผมเข้าใจ <c oughs> อย่างนี้ครับผมไม่รู้ถูกหรือเปล่าก <c oughs> <ส>็ <c oughs> <c oughs> คือผู้รู้ว่ามันไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ตั้งไม่มีตัวตนไม่สามารถจะเห็นได้ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ผู้รู้นั้นเป็นทําหน้าที่รู้แต่นั่นหลงไปหาผู้รู้จะไปดูว่าผู้รู้อยู่ตรงไหนเรราู้ยัง จร้จริงๆมันก็คือรู้อยู่แล้วว่ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็คือรู้โดยผู้รู้อยู่แล้ ว, ลวคือท่านรู้สึกว่าทําไปแล้วรู้สึกมีความปล่อยวางมากขึ้นผมว่ามันถูกครับแต่ว่าถ้ายิ่งทําไปเรายิ่งเครียดยิ่งเอ๊ะทำไมเราหาไม่เจอทีนึงวะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือยิ่งผมว่ายิ่งอยากหาให้เจอก็ยิ่งผิดเข้าไปอีกครับท่าไม่ได้ลงไปทางด้านอยากหาให้เจอลงไปข้างนอกเลยทางการรูปเสียงกลินรถมันก็เจอเองครับ คือมันไม่ได้เจอเรามันแค่เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นมันคือมันเป็นสังขารมันไม่ใช่ตัวเราแค่เนี้ยครับมันไม่ใช่ว่าเราเห็นอะไรว่าตัวเราต้องเห็นอะไรครับเข้าใจแล้วค่ะเพราะตอนแรกก็ยังหลงผิดตอนที่ก้าวบอกจะมีตัวที่สามที่มันจะไปรู้มันก็เลยไปดูว่าไอ้ตัวตัวที่สามที่มันจะไปรู้เนี่ยไปไปดูไอ้ตัวนี้ว่าเฮ้ยมันมันบ่นไล่ตัวที่ไปรู้อ่ะมันอยู่ตรงไหน เออก็ไปหาตัวที่ไปรู้ไปหาตัวที่สามไงฮะลงไปหาตัวที่สามแ ต, แต่จริ ง, งในในมันกลายเป็นตัวที่สองตัวที่สไปเรื่อยๆแต่จริ ง, งมันก็ <ไป S 1> <ๆ S 2> คือมันมันหาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทางที่จะรู้มันได้แต่มันมีมันมีคุณสมบัติที่มันไปรู้อย่างอื่นแต่เราจะไปรู้มันไม่ได้ไปหามันไม่ได้ฮรก็คือรู้ไอ้ตัวที่สองนั่นแหละถ้าเมื่อไหร่เรารู้ตัวที่สองมันก็คือเราก็รู้รู้แล้วมันมันก็เข้าใจแบบนี้แบหลายรอบแลยค่ะหลวงตาแล้วเดี๋ยวมันก็ พัดไปหาอีกแต่ตอนนี้จะก็ปล่อยวางให้ตัวไปหากันแล้วกันนะครับเพราะว่าเราพูดไม่เข้าใจตั้งสีิบห้าปีมาแล้วเนี่ยสองคนที่พูดหน่อยเดียวเข้าใจเลยมันก็ไม่มีอะไรเราว่าผู้รู้มันก็ไม่มีตัวมันก็ไม่อะไรขึ้นมามัต้องธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันต้องรู้อยู่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นในใจเรามันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราจะไปหาผู้รู้ขึ้นัน ไ, ได้แต่มันเป็นธรรมชาติที่มันรู้อยู่แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเราในตัวเรา เราเนี่ยสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจเราแอบคิดอะไรกับใครมันธรรมชาติมันรู้อยู่แล้วเราไม่ต้องไปหาผู้รู้หรอกว่าใครรู้ต้องเห็นมันชัดๆเรามีหน้าที่รู้อะไรอย่าไปยึดมันอย่างเดียวแน่ๆรู้อะไรรู้อะไรอย่าไปเสวยมันเดียวอย่าไปยึดอะไรแล้วจะไปหาผู้รู้ปันหาไม่ได้เราก็ธรรมชาติมันไมีตัวตนมันเป็นธรรมชาติที่มีแต่ความรู้ตัวตนมันไม่มีหน้าที่เราคือมันจะรู้อะไรมันจะรู้มนเป็นยังไงก็ไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยึดถือแค่นั้นแหละฝรั่งทั้งหลายทั้งสิ้นผู้เสวย ไม่ไม่ต้องไปรู้อะไรคาวไว้ไมีอะไรโผล่ก็ไม่ได้ใจไม่มีใครจะโหว่ อ, อย่างเดียวเลยเเสี่ยวนาทีเดียวมีอะไรกระดุกกระดิกได้ในใจไม่ว่าจะว่างรู้สึกว่างรู้สึกว่างก็ไม่ใช่นะรู้สึกว่างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีรู้สึกว่างรู้สึกเบาสบายก็เป็นสิ่งที่มีถ้ามีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องถูกปล่อยวางประหลาดทั้งหลายท่านสิ้นผู้โสวอยอย่างเดียว